ข้อที่สี่ิบขอข้าพเจ้าย่าพึงได้เห็นย่าพึงได้ยินคนพานย่าพึงอยู่ร่วมกับคนพานอย่าพึงทำและย่าพึงพอใจการเจรจาปราศัยกับคนพานบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณสุนความว่าย่าพึงได้ยินด้วยหูเหล่านี้ แม้ว่าคนพาลอยู่ในที่ชื่นโหน้น้เท้าสก่าทรงสดับคำนั้นแล้วเมื่อจะตรัสถามถึงเหตุในเพราะการไม่ต้องการพบเห็นคนพานกับพระดาบทนั้นจึงตรัสคถานี้ว่าท่านกษัตริย์คนพาลได้ทำอะไรต่อท่านหนอขอท่านจงบอกเหตุท่านกษัตรเพราะอะไรท่านจึงไม่ต้องการพบเห็นคนพาน บรรดาบทเหล่านั้นหลายบทว่ากิงนุเตอากังความว่ามารดาหรือบิดาของท่านถูกคนผ่านฆ่าก็หรือว่าคนผ่านได้ทําความเสียหายชื่ออะไรอื่นแก่ท่านพระดาบทนั้นเมื่อจะทูลเหตุแต่เท้าสากะนั้นจึงทูลว่าคนผ่านมีปัญญาสาม ยอมแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำยอมชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระการแนะนำผิดเป็นความดีวงลเปิดของคนพานวงลปิดคนพานแม้ผู้อื่นพูดดีด้วยก็กลับโกรธเขาไม่รู้จักวินยัยวงเลเปิดเพราะเหตุนั้นวงลปิดการไม่พบคนพานนั้นเสียเลยจึงเป็นความดีบรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่าอะนยังนยตีความว่าคนผ่านย่อมถือสิ่งที่ไม่ใช่เหตุว่าเป็นเหตุคือคิดแต่กรรมอันไรประโยชน์ทั้งหลายเห็นปานนี้ว่าเราจะทำอกุศลกรรมทั้งหลายมีปานาติบาเป็นต้นแล้วเลี้ยงชีวิตบทว่าอทุระยังความว่าไม่ประกอบในศรัทธาธุระศีลธุระ และปัญญาธุระยอมชักชวนในสิ่งที่ไม่ควรประกอบบทว่าทุนยโยความว่าการแนะนำผิดเท่านั้นเป็นความดีของคนผ่านนั้นคนผ่านนั้นย่อมถือเอาอย่างนี้ว่าการสมาทานประพฤติกรรมคือโทษเครื่องทุศีนทั้งห้าประการเท่านั้นเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งคนผ่านนั้น เป็นผู้ที่แนะนำได้ยากคือเป็นผู้ที่ใครๆไม่สามารถเพื่อจะแนะนำในข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลได้บทว่าสัมมาได้แก่แม้ถูกผู้อื่นว่ากล่าวแล้วโดยเหตุคือโดยการบทว่าวินยัยองความว่าคนรผ่านนั้นไม่รู้จักวินัยคือมารยาทเป็นต้นว่าพึงก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้ และไม่ยอมรับโอวาทสองบทว่าสาธุตัสสะความว่าเพราะเหตุเหล่านั้นการไม่พบเห็นคนผ่านนั่นแลจึงเป็นความดีพระดาบทเมื่อจะรับพรข้ออื่นอีกจึงกล่าวว่าขอข้าพเจ้าพึงพบเห็นบัณฑิตพึงได้ยินบัณฑิตพึงอยู่ร่วมกับบัณฑิตพึงทำการเจรจาปราศัยนั้นกับบัณฑิต และพอใจการเจรจาปราศัยนั้นท้าวส ก, กะตรัสถามว่าท่านกรสปะบัณดิตได้ทำอะไรเก่ท่านหนอขอท่านจงบอกเหตุท่านกรสปะเพราะเหตุไรท่านจึงปรารถนาการพบบัณดิตพระดาบทตอบว่าบัณดิตย่อมไม่แนะนาสิ่งที่ไม่ควรแนะนาไม่ประกอบในสิ่งที่มิใช่ธุระการแนะนำดีเป็นความดี วงเล็บเปิดของบัณฑิตนั้นวงเล็บปิดบัณฑิตนั้นอันผู้อื่นกล่าวโดยชอบย่อมไม่โกรธท่านรู้อุบายสำหรับแนะนำการสมาคมกับบัณฑิตนั้นจัดเป็นความดี